คอลัมน์ไดอารี่หมอดูตอนเช้าวันนี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง การที่คนจะเป็นเนื้อๆและเวลาทํา ก็มีการแต่ก็หน้าตาเหมือนกันดีในบาปร่วมกันมาก็ แต่ดูจากวิธีคิดในปัจจุบันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากจากไม่ค่อยถือสาหาความอะไรใครเท่าไหร่คิดในปัจจุบันมีความคือชอบชอบช่วย ทั้งคู่มักจะมีเอาเปรียบคนอื่นมาและค่อนข้างจะติดไปทางด้านฉลาดแกมโกงหน่อยจะไม่ได้ทําบุญมาเท่ามี เขาก็งงนิดหน่อยและก็บอกมาหลังจากนั้นว่างงนิดๆ จะแล้วมันช้าเกินไปกรรมให้ผลเขาเองไม่ไหว ธุรกิจที่ลงทุน 2548 นั้นโดนโกงทั้งปีโกงทั้งปีจากที่มี เพื่อทําการค้าตัวใหม่แทนตัวเก่าก็เริ่ม ที่ได้บอกเข้าไปว่าพี่ทั้งคู่เคยทํากรรม ความเจ็บใจความๆถ้าตอนนั้นเค้าให้ณตอนที่เค้า ซึ่งการไม่ให้อภัยจะเป็นตัวเชื่อมกับกรรมเรื่องเงินในอดีตการไม่ให้อภัยจะเป็นตัว เท่านั้นที่จะช่วยงานดีขึ้นเหมือน ก็ให้เงิน ไม่ยอมรับว่าเป็นกรรมของเรายอมรับว่าเป็นกรรมแค่ความเจ็บใจหรือพยาบาทเกิดขึ้นในใจเราแค่หนึ่งนาทีก็เหมือนไฟในนรกมาอยู่กลางอกเราแล้วแต่โทษมันต้องตามมาอีกมากแน่นอนเราไม่ได้ฝึกให้เป็นคนไม่โกรธใครๆ1 เรนาที แต่เราฝึกเป็นคนที่โกรธคนอื่นเราในสายตาคนทางโลกอาจจะมองว่าเราโง่แต่ภายใต้ความโง่นั่นคือความสุขที่หมอพี่